วิญญาณเฮียนในสวนสัมผัสสยองดาวเกิดมาในครอบครัวที่พ่อและแม่เป็นชาวสวนเธอเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เกิดมาจนจำความได้ ดาวก็เห็นพ่อและแม่ทำสวนอยู่ก่อนแล้วพ่อของดาวชื่อว่าน้อยส่วนแม่ของดาวชื่อผันแม่ได้รับที่ดินที่ตากับยายของดาวยกให้เป็นมรดกอยู่จำนวนสิบไร่แม่กับพ่อช่วยกันทำสวนผลไม้ปลูกสารพัดต้นไม้ที่ปลูกหลักๆก็จะเป็นต้นลำใหญ่ซึ่งมีประมาณ200ตน้นนอกจากนั้นก็จะเป็นมะม่วงมะพร้าว ชมพูขนนและอีกมากมายพ่อกับแม่เป็นคนขยันนอกจากสวนผลไม้แล้วทั้งสองคนก็ยังปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไว้เป็นแหล่งอาหารของครอบครัวครอบครัวกองดาวอยู่อย่างสุขสบายแทบจะไม่ต้องใช้เงินเลยก็ว่าได้แต่ถ้าจะใช้เงินจ่ายค่ากับข้าวก็แค่ตอนไปซื้อเนื้อหมู เครื่องปรุงรสและข้าวสารเท่านั้นครอบครัวของดาวไม่ได้มีฐานะร่ำรวยมีแค่พออยู่พอกินแต่ทุกคนก็พอใจในชีวิตแบบนี้พอดาวเข้าเรียนในชั้นประถมพ่อกับแม่ก็ให้เรียนที่โรงเรียนไกลๆบ้านคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่นิยมส่งลูกหลานไปเรียนในเมืองโดยมีความคิดว่าถ้าลูกหลานเรียนสูง ก็จะได้ทำงานดีๆนั่งทำงานในห้องแอร์เย็นสบายแต่พ่อของดาวกลับบอกว่าไม่มีเงินจะส่งให้เรียนโรงเรียนแพงๆเพื่อนบ้านบางคนเห็นแม่มีที่ดินหลายไร่จึงแนะนำว่าน่าจะแบ่งขายสักสามสี่ไร่จะได้มีเงินส่งลูกเรียนแต่แม่บอกว่าไม่อยากขายอยากจะเก็บที่ดินเอาให้ลูกหลานไว้ทำกินในอนาคต ถ้าขายไปแล้วส่งลูกเรียนพอลูกทำงานแล้วเกิดอยากกลับมาทำสวนถึงตอนนั้นราคาที่ดินอาจจะสูงมาจนครอบครัวซื้อไม่ไหวแล้วแม่รักดาวพอพอกับที่ดินผืนนี้ชาวบ้านต่างรู้กันดีว่าแม่ชอบทำงานในสวนมากต้นไม้เกือบทุกตน้นแม่ปลูกเองกับมือถ้าให้แม่เดินหลับตา แม่ก็สามารถจำทุกซอกทุกมุมในสวนได้เมื่อถึงคราวที่พ่อไม่สบายป่วยเป็นโรคมะเร็งต้องเสียเงินรักษาหมดไปเป็นแสนแสนแม่ก็ไม่ยอมแบ่งที่ดินขายก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินมารักษาพ่อสุดท้ายแล้วพ่อก็จากพวกเราไปหลังจากที่พ่อตาย แม่ก็อยู่ในสวนสองคนกับดาวแม่จะคอยบอกอยู่เสมอว่ารักดาวและชอบที่ดาวเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายตั้งแต่เล็กๆ เ, เพราะดาวเรียนจบชั้นมัธยมปีที่สามจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในหมู่บ้านดาวก็ไม่เรียนต่อและดำเนินชีวิตตามวิถีพอเพียงเช่นเดียวกับแม่ถึงแม้อย่างนั้นพวกเราก็อยู่กันอย่างสุขสบาย ไม่เดือดร้อนเวลาผ่านไปจนดาวอายุ25ป้ปีดาวก็ได้แต่งงานกับสิงห์ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆกันสิงห์ทำงานเป็นพนักงานบริษัทมีรายได้ดีและสิงห์เองก็เป็นคนดีไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่เลิกงานก็มาช่วยครอบครัวรดน้ำต้นไม้ในสวนและดายาดาวกับสิงห์ อยู่กินกันมาประมาณหนึ่งปีก็มีลูกสาวหนึ่งคนตอนนั้นอายุประมาณสามเดือนแม่ก็มีอายุย่างเข้า54ปียังแข็งแรงไม่มีโรคร้ายมาเบียดเบียนวันหนึ่งขณะที่แม่ทำสวนตามปกติแกก็ใช้มือกรอบหญ้าไปกองรวมกันเพิ่นนหนาของหญ้าไมยราเกี่ยวแขนของแกจนมีเลือดไหลสิบสิบ แกเห็นว่าเป็นแผลเล็กน้อยจึงใช้มือปาดเลือดให้หยุดแล้วทำงานต่อแม่เคยโดนน้ำมายราบเกี่ยวตามแขนขาหลายครั้งไม่เคยใส่ยาเลยแล้วแผลมันก็หายเองทุกครั้งแต่ครั้งนี้ปรากฏว่าแผลที่แขนเกิดอาการหนักเสดปวดและบวมแกล้างแผลด้วยน้ำสะอาดแล้วหายาสมุนไพรในบ้านมาทา ผ่านไปได้สองสามวันแผลก็ยังไม่หายซ้ำยังเป็นหนักกว่าเดิมดาวจึงพาแม่ไปหาหมอพบว่าแผลติดเชื้อลุกลามเข้ากระแสะเลือดกว่าจะรู้ก็รักษาไม่ทันแล้วในที่สุดแม่ก็เสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสะเลือดโดวยวัยเพียง54ปีสร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวของดาวและคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก เพราะแม่เป็นคนดีมีน้ำใจมีอะไรก็มักจะแบ่งปันให้คนอื่นอยู่เสมอทุกคนจึงรักและคิดถึงแม่มากแต่ชีวิตย่อมต้องดำเนินต่อไปเมื่อขาดแม่ที่เป็นเรียวแรงคนสำคัญดาวเองก็เลยต้องรับภาระในการดูแลสวนแทนแม่ซึ่งเป็นงานที่หนักมากสิงจึงลาออกจากงานบริษัทมาช่วยกันทำสวน เพื่อให้ดาวได้มีเวลาดูแลลูกเล็กๆ เ, เวลาผ่านไปหนึ่งเดือนหลังจากที่จัดงานศพให้แม่เรียบร้อยแล้วดาวนำกระดูกบางส่วนของแม่มาไว้ที่หิ้งพระภายในบ้านเพื่อจะได้กราบไหว้แล ะ, ละระลึกถึงพระคุณแม่วันหนึ่งดาวเดินไปซื้อของที่ร้านเป้าเพียนซึ่งขายของชํำอยู่หน้าวัดก็เห็นเพื่อนบ้านจากกลุ่มคุยกันอยู่ เมื่อดาวเข้าไปไกลก็ได้ยินนายเดชเล่าว่าเมื่อคืนแกเดินไปส่องนกตามต้นไม้ใกล้ๆบ้านของดาวแกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะท่าทางเหมือนป้าผันกำลังเดินไปเดินมาในสวนนายเดชตกใจมากรีบกลับไปเล่าให้ที่บ้านฟังชาวบ้านที่ฟังอยู่จึงบอกว่าพีของป้าผันคงยังอยู่เฝ้าสวน เพราะมันเป็นสมบัติที่แกห่วงมากพอดาวได้ยินดังนั้นก็บอกว่าไม่จริงหรอกสวนของดาวไม่มีผีและดาวก็ไม่เคยเห็นแม่ในสวนเลยพอดาวกลับบ้านก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้สิงฟังสิงได้แต่ยิม้มและปลอบดาวให้สบายใจว่าเราก็อยู่ที่นี่กันมาตั้งนานแล้วไม่เห็นมีอะไรอย่าไปฟังเสียงของชาวบ้านเลยตามปกติ ดาวเป็นคนกลัวผีมากอยู่แล้วทั้งทั้งที่ดาวเองก็ไม่เคยเห็นผีเลยสักครั้งคืนนั้นดาวไปยืนอยู่ที่หน้าต่างแล้วแยกพาม่านอกมองไปข้างนอกด้วยใจระทึกสายตาสอดส่ายมองหาว่าจะเห็นอะไรแปลกๆในสวนหรือเปล่าพระจันทร์เดือนหงายส่องแสงสว่างจ้าดาวมองอยู่นานก็ไม่พบเจออะไร จึงกลับไปนอนกล่อมลูกน้อยในห้องต่อรุ่งเชา้าหลังจากที่ดาวทาอาหารเตรียมให้สามีเสร็จแล้วดาวก็มาชะโงกดูลูกสาวที่กำลังนอนเล่นอยู่บนเตียงลูกสาวตื่นนานแล้วดาวรู้สึกแปลกใจที่วันนี้ลูกน้อยไม่ร้องไห้โยเยเหมือนกับทุกๆครั้งแต่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ส่งเสียงออแอในลาคอยกมือกวาดแกง เหมือนมีใครมาหยอกล้อเล่นด้วยดาวจึงเดินไปอุ้มลูกน้อยเพื่อที่จะไปอาบน้ำเวลาผ่านไปจนดึกขณะที่ดาวและสิงกาลังเตรียมตัวเข้านอนก็ได้ยินเสียงคล้ายฝนตกดาวกับสิงยังคุยกันว่าก่อนนอนก็ไม่เห็นมีเมฆฝนทำไมฝนถึงตกได้แต่ในเมื่อฝนตกก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ ประหยัดแรงไปอีกรุ่งเช้าดาวตื่นขึ้นมาก็เห็นสิ่งและลูกยังคงนอนหลับสนิทเธอทําธุระส่วนตัวแล้วเดินออกไปหน้าบ้านเดาวก็ประหลาดใจเพราะพื้นดินในสวนแห้งสนิทไม่มีร่องรอยของฝนตกเลยเมื่อเธอเดินไปที่ต้นมะนาวคางบ้านใต้โคนต้นมะนาวกลับชุ่มฉ่าเหมือนมีใครมารดน้ําไว้ สิงเองก็ยังนอนอยู่กับลูกสาวในห้องไม่น่าจะออกมารดน้ำได้ดาวกลับมานึกถึงคำพูดของเพื่อนบ้านที่บอกว่าดวงวิญญาณของแม่ยังวนเวียนอยู่ในสวนไม่ไปไหนดาวรีบเข้าบ้านไปเล่าเรื่องที่เพิ่งเจอให้สิงฟังสิงก็พูดปลอบดาวว่าคงไม่ใช่ผีหอกแต่สิงเองก็ยังหาคำตอบในเรื่องนี้ไม่ได้ ดาวเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วเริ่มทำงานในสวนอย่างหวาดระแวงบางครั้งดาวเดินอยู่บนบ้านก็รู้สึกเหมือนมีคนเดินผ่านแวบๆเข้าห้องโนนออกห้องนี้บางครั้งทำงานในสวนก็ได้ยินเสียงคนหว่านทรายลงบนต้นไม้พอหันไปมองก็ไม่เห็นมีอะไรเรื่องแปลกๆเริ่มเกิดบ่อยขึ้นวันหนึ่ง ดาวทำงานอยู่ในสวนจู่ๆก็มีลมพัดประทับใบหน้าเมื่อเธอหันหน้าไปมองดูต้นไม้โดยรอบต้นไม้ก็นิ่งไม่ไหวติง่งถ้ามีลมพัดในสวนใบไม้ก็น่าจะสั่นไหวรลิวไปตามแรงลมบ้างดาวเริ่มกลัวผีขึ้นมาจับใจจึงวิ่งกลับบ้านตกดึกขณะที่ดาวและครอบครัวกำลังนอนหลับอยู่ ก็ได้ยินเสียงผู้ชายร้องโวกเวกว่าช่ด้วยช่ด้วยสิงรีบไปเปิดไฟแล้วหยิบไฟฉายส่องออกไปดูข้างนอกบ้านเห็นชายคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นตะโกนร้องขอความช่วยเหลือมีลอยเลือดเลอะอยู่ตามเสือ้อผ้าดาวอุ้มลูกคอยสังเกตการ์อยู่ในบ้านสิงจึงตะโกนถามใบว่าเกิดอะไรขึ้น ชายคนนั้นบอกว่าเขากับเพื่อนอีกคนมาแอบจับปลาที่อยู่ในสาท้ายสวนอยู่ๆก็มีหมาดำตัวใหญ่มากเละโจนกัดแขนของเพื่อนจนเป็นแผลลึกเบิกวัเขาเข้าไปจะช่วยเหลือเพื่อนแต่ก็ต้องพังงาดถอยออกมาเพราะหมาใหญ่ตัวนั้นจ้องมองมาที่เขาด้วยดวงตาแดงฉานคล้ายมีดวงไฟอยู่ในลูกตาแล้วคูคารามเสียงดังน่ากลัว ตั้งท่าจะกระโจนใส่เขาเขาจึงรีบวิ่งหนีแล้วตะโกนขอความช่วยเหลือสักพักชาวบ้านที่อยู่ไกลๆก็เข้ามาสมทบเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดบางคนก็พูดว่าคงเป็นผีป้าผันซึ่งคงหวงของของแกหลังจากผู้ใหญ่บ้านพาหัวขโมยทั้งสองออกไปแล้วชาวบ้านก็แนะนำให้ดาวลองจ้างหมอผี มาขับไล่ดวงวิญญาณที่อยู่ในส่วนนี้ดาวจึงไปปรึกษาสิงห์สิงห์ก็ไม่ขัดขานดาวจึงได้ให้เพื่อนบ้านติดต่อหมอผีให้มาทำพิธีไล่ผีในส่วนของดาวหมอผีตกลงรับปากจะมาในวันศุกร์โดยให้ดาวเตรียมดอกไม้และของเส้นสองสามอย่างแล้วก็มาถึงวันศุกร์ดาวรีบไปเปิดประตูดัว เพื่อเรารับหมอผีเวลาแปดโมงเช้าหมอผีกับลูกน้องอีกสองคนจอดรถปิกอัพไว้ที่นอกประตูรัว้วและพากันเดินเข้ามาในสวนของดาวแต่พอเดินผ่านเข้าประตูรั้วมาเท่านั้นหมอผีก็มีอาการชักดิ้นชักงอล้มลงไปนอนกับพื้นหายใจแรงและหอบติดติดขัดขดแกร้องวอยวาย บอกให้ลูกน้องพาแกออกไปให้พ้นประตูสวนพอแกไปยืนนอกประตูสวนได้อาการทั้งหมดก็หายไปหมอผีและลูกน้องแตกตื่นตกใจเหงื่อออกเต็มใบหน้าหมอผีพูดขึ้นว่าผีตนนี้เฮียนมาแกเอาไม่อยู่จากนั้นหมอผีกับลูกน้องก็พากันขับรถออกไป ลอให้ดาวยืนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความหวาดกลัวให้กับดาวอย่างหนักจนดาวทำอะไรไม่ถูกตกใจไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีดาวก็เลยไปปรึกษาเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านจึงแนะนำว่าให้ไปเชิญหมอผีชื่อดังระดับประเทศมาปราบเลยจะดีกว่าคืนนั้นดาวนอนไม่หลับนึกถึงเหตุการณ์เมื่อเช้า ที่หมอผีบอกว่าผีตนนี้เฮียนมาดาวคิดแล้วยังกลัวไม่หายแต่ถ้าจะให้ไปจ้างหมอผีที่มีชื่อเสียงก็คงใช้เงินจำนวนมากครอบครัวของดาวมีเงินเก็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเธอนอนบนเตียงเอามือก่ายหน้าผากครุนคิดว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีแต่แล้วก็พลอยหลับไปใกล้รุ่งสางดาวก็ฝันว่า เธอกำลังนอนอยู่บนเตียงแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่นอกห้องเดาวจึงลุกขึ้นแล้วเดินตามเสียงนั้นไปพอเปิดประตูห้องออกไปก็พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งกายด้วยชุดสีดำนั่งบนพื้นฟุบหน้าร้องไห้อยู่ตรงเก้าอี้โซฟาเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นดูคุ้นหูดาวมาก พอดาวเดินเข้าไปดูไกลๆหญิงคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นมาดาวเห็นแล้วก็อุทานออกมาว่าแม่มาร้องไห้ทำไมตรงนี้แม่พูดแบบเสือกสือื่นอย่าไล่แม่ไปเลยแม่ไม่รู้จะไปอยู่ไหนแม่ต้องเร่ร่อนไปไม่มีที่อยู่ขออยู่ที่นี่ด้วยคน แม่จะไม่รบกวนอะไรลูกแม่จะขออยู่จนกว่าจะถึงเวลาที่แม่จะต้องไปหูดจบแม่ก็ก้มหน้าลงบนฝ่ามือและร้องไห้อย่างน่าสงสารตอนนั้นลูกสาวของดาวที่นอนอยู่ตื่นขึ้นพอดีจึงร้องเสียงดังดาวจึงสะดุ้งตื่นขึ้น ตอนเช้าดาวได้นำความฝันไปเล่าให้สิงฟังและบอกถึงเรื่องที่ไปปรึกษาเพื่อนบ้านให้ลองไปเชิญหมอผีชื่อดังมาขับไล่เมื่อสิงได้ฟังก็แนะนำให้ดาวไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดในหมู่บ้านดูก่อนดาวจึงไปหาหลวงพ่อที่วัดเล่าเรื่องผีในสวนเรื่องหมอผีและเรื่องความฝันเมื่อตอนไกลรุงให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อพูดให้สตีดาวว่า เรื่องผีอาตมาก็ไม่เคยเจอก็ไม่รู้ว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าหรือว่าจิตปรุงแต่งเอาเองจึงทำให้กลัวถ้าเป็นผีป้าผันแม่คงโยมจริงโยมจะกลัวไปทำไมผีนั้นก็ไม่ได้ทำร้ายโยมหรือครอบครัวไม่ใช่เหรอควรคิดให้ดีก่อนจะไปจ้างหมอผีมาขับไล่ให้เสียเงินเสียทองลองอยู่กับผียางสันติดีกว่าไหม หลวงพ่อบอกให้ดาวกลับบ้านไปแล้วจุดทูบหนึ่งดอกเพื่อบอกกับดวงวิญญาณ น, นั้นว่าให้ต่างคนต่างอยู่อย่าได้เบียดเบียนกันดาวจึงกลับบ้านไปเล่าเรื่องนี้ให้สิงฟังสิงก็เห็นดีด้วยทั้งสองคนได้นําทูบหนึ่งดอกไปกราบทีหิ้งต่อหน้าเท่ากระดูกของแม่และพูดว่าเธอดวงวิญญาณของแม่อยู่ในสวนนี้ ก็ขอให้อยู่อย่างสงบอย่าเบียดเบียนกันและกันลูกจะหมั่นทำบุญไปให้แม่จะได้ไปสู่สุคติไม่ต้องลำบากวนเวียนในสวนแบบนี้พอพูดจบก็ปักธูปไว้ในกระถางธูปตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นอีกเมื่อดาวสบายใจมากขึ้นก็เริ่มชินทั้งยังรู้สึกว่าดวงวิ ญ, ญญาณของแม่ ยังอยู่ในสวนนี้เวลาทานข้าวดาวก็มักจะพูดเชิญให้แม่มาทานข้าวด้วยบางครั้งตอนที่ดาวดูแลลูกอยู่ดาวก็จะพูดกับแม่ให้แม่มาเล่นกับหลานหรือบางครั้งดาวก็พูดเล่าเรื่องต่างๆให้แม่ฟังขณะที่กำลังรดน้ําต้นไม้ในสวนสิงห์เห็นพฤติกรรมของดาวก็ไม่ว่าอะไรดาวยังนึกขอบคุณสิงห์ที่เข้าใจ ถ้าเป็นคนอื่นคงคิดว่าดาวเป็นบ้าไปแล้วดาวใช้ชีวิตในสวนกับครอบครัวและวิญญาณของแม่ผ่านไปปีกว่าๆแล้วคืนที่แสนเศร้าก็มาถึงคืนนั้นแม่มาเข้าฝันดาวในฝันแม่แต่งตัวสวยสีสันสดใสแม่มองดาวด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มแล้วพูดอย่างอ่อนโยนว่าถึงเวลาที่แม่จะต้องไปแล้ว ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่แม่จะมาหาลูกขอให้ลูกจำไว้ว่าไม่ว่าแม่จะอยู่ที่ไหนก็จะรักและห่วงใยลูกอยู่เสมอแล้วแม่ก็ยิ้มให้ดาวแม่น้ำตาคลอที่ดวงตาทั้งสองข้างจากนั้นแม่ก็หันหลังแล้วค่อยๆเดินจากไปดาวใจหายที่แม่กำลังจะจากไปจริงๆเธอร้องเรียกแม่ แต่แม่ก็ไม่หันมาดาวร้องไห้และเรียกร้องแม่ด้วยเสียงที่ดังขึ้นแม่จ๋าแม่จ๋าเสียงร้องของดาวดังมาจนปลุกให้ตัวเธอและทุกๆุกคนในห้องตื่นดาวลุกขึ้นนั่งน้ำตาพรั่งูครวญครวญว่าลูกขอโทษที่เคยคิดจะขับไล่แม่ออกไปแต่ตอนนี้ลูกไม่อยากให้แม่ไปแล้ว สิงโอบไหลาดาวและพูดปลอบให้เธอสงบลงด้วยประโยคที่ว่าแม่ไปสู่สุคติแล้วถือเป็นเรื่องดีจากนี้ไปเราควรมันทำบุญไปให้ท่านและมาช่วยกันดูแลส่วนที่ท่านรักกันดีกว่า พัดสยอง